พระธรรมเทศนาแผ่นที่81ดดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวาวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19มีนาคม2 5ง8มีชื่อเรื่องว่าศึกษาวิชาใจ เป็นไงศรัทธายาโดโยมลูกหลานได้ยินเสียงชนีร้องไหมนี่สมชายมันร้องอยู่ข้างในวัดถ้าชนีร้องอย่างนี้นะไม่ไม่ตกก้อนแรงเหมือนนั่นะไม่ร้อนกว่าหนาว <c oughs> ทําไำไมเนี่ยชนีร้องมันอาจจะบอกข่าวอ่ เตรียมตัวนะันหลวงพ่อนะพายุอาจจะมาถนะ้าตอนบ่ายๆนะตนๆนะตนเตรียมพรม้อมไว้หน้านะอาจจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะประธานครูบาทั้งหลายแลให้ฟังไวนะ้นะชนีร้องนะบางทีพอร้องตอนเช้าเนะ่ะตอนบ่ายๆสามสี่โมงเท่านั้นแหละเออแดงเพื่อมาเลยลมกระโชกอย่างแรงเลยต้นไม้ล้มระเนระนาดไม่ลวกกี่ครั้งเหมือนกันนะช น, นีมันมันรู้ก่อนนะเหมือนกับ สีนามินเนี่ยสินนามิเมื่อข่าวที่แล้วนเนี่ยพวกอปลาพวกเต่ากระโดโดโ ล, ลดเต้นคนทั้งหลาย <c oughs> จะไปจับเต่าจับปลาอีต่างหากไอ้วัวควายที่ไปมัดมัดไว้ไอที่ชายหาดทะเลนี่ยกระโดดโดด ล, ดลดเต้นตลอดพอปลดเชือกเท่านั้นมากระโดดทําไม วัวควายน่อยแต่พอเปิดเท่านั้นก็กระโดดเลยขึ้นไปหาที่สูง อ, อคนในพอมันน้ําทะเลมันแห้งว้าบลงไปโอ้น้ําทะเลแต่มันแห้งคือ ข, ขนาดนี้มันลงขนาดนี้เว่งกันไปหาจับปลาที่ไหนได้พอมันขึ้นมาอีกรอบสองเนี่ยคนตายเป็นมากเล ย, เ น, ยนี่แหละอันนี้ก็คือสีนามิเมือกขาวที่แล้วเนี่ยล้มพ่อไปนะ พอเสร็จแล้วไม่นานหลวงพ่อก็ไปพอได้ช่วยๆกันเอาอาหารเอาข้าวไปเลี้ยงพวกสีนามิอยู่คนนั้นหลวงพ่อจึงได้รู้เรื่องนะเออนี่แหละคนโบราณเขาบอกว่าคลื่นใต้น้ำคลื่นใต้น้ำนะเออแต่เป็นคลื่นที่น้ำโขงเราจะไปกลัวอะไรแต่มันคลื่นน้ำโขงนะแต่เป็นคลื่นน้ำทะเลสีนามิข้าวนั้นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนะนี่ยแหละคนโบราณเขาจึง บอกว่าคลื่นระวังคลื่นไตน้ำฮพวกน่ะเจนีมันได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดมันเลยหยุดหยุดร้องนั้นแล้ว <c oughs> ลวันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสี่ค่ำ เดือนสามเดือนสามดับพอเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นวันมาฆะมั น, ว, นวันมาฆะบูชา เ, เป็นวันเดือนสามแผ่นแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าไม่ใช่แปดสองโหดนะวันนี้เป็นเดือนสี่ดับแล้วเนี่ยแต่นี่มัน8ปดสองโหนคนเยย่นย่อลงมาเป็นวันมาฆะวันพระก่อนนะ แล้วก็วันพระวันพระนี่ก็เป็นวันพระเดือนเดือนสามดับถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อได้พูดมาหลายวันเรื่องศีลธรรมจริยธรรมวันนี้จะพูดเรื่องสมาธิธรรมวันนี้าะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาศีล ส, สมาธิปัญญา สินสินคือกฎระเบียบการเป็นอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันมากคนก็ต้องมีกฎระเบียบอย่างกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายบ้านเมือง air, อ่อนแอบ้านเมืองนั้นก็รู้สึกว่าจะอยู่ลำบากในชุมชนใดก็ตามถ้ากฎระเบียบ ร, ระเบียบอ่อนแอในชุมชนนั้นก็อยู่ด้วยกันลาบากแต่ถ้าหาว่าพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันเท่า วิตไนอ่อนแอมีแต่พระอรชีคือไม่มีฮิลิโอตปะอันนั้นคอยอยู่ด้วยกันลําบากเหมือนกันเพราะฉนั้นเกิดกดแะเบียบคือศีลศีลคือจริยธรรมคือความประพฤติคือความประพฤติคือศีลธรรมศีลและธรรมศีลและธรรมจริยธรรมศีลคือกดระเบียบจริยธรรมคือความประพฤติ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิถุวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติถ้าคนมีแต่วิชาอย่างเดียวถ้าขาดความประพฤติเหมือนกับพวกเราฝนมีดให้คมแนะนำกันศึกษากันให้คมพ่อคมเสร็จแล้วทิ้งมีดเกื่อนกลาดไม่มีกฎระเบียบในการใช้ม็ด จากนั้นกจกจะทิมจะแทงคนไหนก็แทงได้ทิมได้แทงได้เพราะไม่มีกฎระเบียบแต่ถ้าว่ามีกฎระเบียบก็คือเมื่อฝนฝนมีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ฝักไว้เออเอาใส่ฝักนั่นแนหะคือจริยะเอควรจะเก็บไว้อย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ได้สอนไปหน้าเดียวนะ อ, อ, อย่างการเข้ามาสู่ชุมชนก็เหมือนกันท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดและการอยู่ด้วยกันเนีว่าธรรมมันยุตาธรรมมันยุตาสัพปริส ธ, ธ ร, รรมสัพปริส ธ, ธรรมธรรมของสัตวุรุษลสัตว ร, รุษคือบุบคคลที่ สุภาพบุรุษพูดง่ายๆอย่างพวกเราจะพูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือท่านสุภาพบุรุษควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ใครเดือดร้อนไปในไปนสถ า, านที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเลื่องว่าสัสตบุรุษเรื่อง ว, ว่าสัพเพรสธรรมธรรมของสัตบุรุษธรรมมัญญาตาความเป็นผู้รู้จักเหตุ เ, เหตุอันนี้มันมาจากไหนมันเป็นอย่างนี้ อัฏฐานยุตาความเป็นผู้รู้จักผลผลอย่างนี้มันมาจากจากอะไรมันจึงมีผลอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเราทำกรรมชั่วมันก็ต้องให้ผลทางชั่วถ้าเราทำดีมันก็ให้ผลทางดีอันนี้มันมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นนี่ว่าทำมันยุตาอัฏฐานยุตาจากนั้นอัฏฐนยุตาให้รู้จักประมาณตนตนว่าด้วย วา่าโดยยศฐานบรรดาศักการเป็นอยู่ของเราเราอยู่ในสถานณไหนแน่ว่ า, อ, าอัตฉริยะตามัดตัลยุต า, ดดตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคเราว่าเราสดแสวงหาทรัพย์มันได้มากน้อยแค่ไหนเราควรจะบริโภคใช้ใจใช้สอยอย่างไรอันนี้ใครรู้จักประมาณไม่มีใครที่จะรู้จริ่งกว่าตัวของเราถ้าเราใช้ ออกนอกลูก่นอกทางเกินไปเราก็เดือดร้อนนะไอ้เ น, นี้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเรืวว่ามัดตันยุติการกาลันยุตาให้รู้จักการเวลาเวลาชินนี้การเช่นนี้เวลาเช่นนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมให้ถูกต้องในเรื่องการการเช่นนี้ปริสันยุตาให้รู้จักประชุมชนประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาเราควรปฏิบัติตนอย่างไร กับประชุมชนกลุ่มนี้อันนี้ว่าปริสัญโยตาปุคคลปรโรปรันโยตาให้รู้จักบุคคลที่ควรครบหรือไม่ควรคบบุคคลที่ควรครบถ้าเราไปคบพวกขายยาบ้ายา마พวกขายกัญชา ย, ยาฝิ่นไม่อีกไม่วันหนึ่งเราก็ต้องติดคุกติดตาราง เ, าเสียหายถ้าเราครบคนดีก็เป็นชงาราศีสมรับเรานะ อันนี้ว่าปุค ร, ระโปรปรัญโยตาให้รู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบอันนี้เรื่องศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือวันนี้เป็นวันพระควรจะพูดเรื่องสมาธิให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ฟังเรื่องสมาธิ ในหลักของพุทธศาสนาเหมือนกับเป็นของคนอื่นเรื่องของไกลจากเราแต่ตามไม่จริงสมาธิเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุท ธ, ธบริษัท4ี่พุท ธ, ธบริษัทสี่คือภิกษุสั ม, มนเนนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงให้สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือนี่แหละศีลสมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยเรื่องพูดเรื่องเบื้องต้นว่า เรื่องจริยธรรมคุณศีลธรรมจริยธรรมนั้นคือศีลหมวดศีลแต่หมวดสมาธินี่คือทําจิตใจเราคิดยังไงใจจริงของเราจึงจะไม่กระโดดโลดเต้นไม่ววาเหวอ้วาหวางเงียบเหงาเศร้าซึมอันนี้ให้ดูใจของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นใจสมควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการอบรมฐาใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจคึกขนองใจโมโหโกธาใจเลวพูดง่ายง่ายแหมเหมือนกับท่านเมื่อเราอบรมหรือว่าเราได้ศึกษาดีแล้วเนี่ย เ, เมื่อจิตใจของเราได้ทําจิตใจให้สงบตามสมาธิตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเล่เนเมื่อจิตใจของเรารวมสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพน่ะ ในวันเดือนหกเพนนนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาว่าปุเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้ นี่แหละคือพระองค์เป็นจิตพระองค์เป็นสมาธิก่อนพระไทยของพระองค์เป็นสมาธิก่อนเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งท่านรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันคนละอันกันร่างกายกับใจนั่นแหะทีนี้ท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถ เรื่องของรถเนี่ยถ้าหาว่าคนไม่คนไม่ไปขับมันมันก็ไปไม่ได้ต้องอาศั ย, ค น, นยนะคนขับเนี่ยคนขับเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญในหลักของพุทธศาสนาว่ามโนปุพังคมาธรรมะมโนเสรามโนมายาเรื่องทางหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นเรื่องหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นเรื่องของใจ แล้วจะทำยังไงจึงจะรู้ว่าใจดวงนี้นะเป็นนามธรรมาตัวนีนะ้มันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ เ, เราจะมองยังไงเราจะทำยังไงเราจะจับยังไงเราจะเอะไรม า, มาจับมั น, นแต่ในหลักทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ดีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็ดีที่ค้นคว้าศึกษาอยู่ในนี้เขาศึกษาได้ถึงสมอง สมองคือในหัวของเรามีสมองคือมันสมองคิดปรุงเรื่องต่างๆแต่หลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่คิดลึกไปกว่านั้นอีกท่านว่าใจใจตรงนี้คื อ, คอนามธรรมามาใช้สมองอีกที่นึ่งสมองเน่ยเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับสมองกลอยู่ในรถอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้ารถราคาแพงๆไงราคาหลายหลายล้านหลายสิบล้านเนี่ยมันจะมีสมองกลอยู่ในในรถคันนั้น รถคันนั้นถึงจะมีสมองก่ก็เถอะนะเอ่อถ้าเราไม่ไปสตาร์ทเครื่องมันนะให้มันไปโดยอีิมันไปไม่ได้หรอกเออมันต้องอาศัยคนเข้าไปสตาร์ทเครื่องซะ ก, ก่อนพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเครื่องเข้าไปไฟเข้าไปในสมองของมันนะพอไฟเข้าไปในสมองของมันมันก็โชว์ขึ้นมาเลยแต่นะเนี่ยโชว์ขึ้นมาตามแผงเอ่อจะให้เราทํายังไงยอย่เราตรวจดูรถเออนํามันรถของเราจะวิ่งได้กี่กิโล อ, อตาของมันซ้ายขวาเป็นยังไงเล้อซ้ายขวาล้อหน้าล้อหลังเป็นยังไงมันจะโชว์หมดเลยแต่นในในรถที่มันรถคันนีเน้เมื่อเราจะตัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละอคนที่เข้าไปจัดเครื่องนั่นแ่ะคือใครก็คือคนเ อ, อถ้าจะให้มันจัดเครืองมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันจัดเครื่องไปว่ามันของคือขึ้นมาแล้วน่ากลัวมันอีกต่างหากว่าเป็นผีแล้วบัดเลยเ แต่นี่คนเข้าไปสตาร์ทเครื่องพระครูสตาร์ทเครื่องรู้เลยว่าออืรถคันนี้เป็นอะไรนี่แหละไอ้คนที่ไปสตาร์ทเครื่องนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวามะมโนปุพังคมมัมมาธรรมามโนเศธามโนมายามันเรื่องทางหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจอันนัใจดวงนั้นละ่ะจะทํายังไงจึงจะอบรมให้เป็นใจที่ดีนี่ ถ้าหาว่าใจของเราเป็นนักเลงหัวไม้เป็นคิดอะไรคิดเพียงแต่ทางที่ชั่วมิแต่จ ะ, จะทําแต่ความชั่วเอมิแต่อันไหนที่ชั่วอชั่วของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าชั่วของพุทธศาสนาส่วที่เป็นพื้นฐานที่จริงคือชั่วห้าอย่างเอชอบฆ่าสัตว์ไม่เว้นแต่ละอย่างชอบฆ่าคนอื่นชอบขโมยคนอื่นชอบประพฤติผิด ในสามีภรรยาของคนอื่นชอบโกหกคนอื่นและก็ชอบดึงของมึนเมาที่ขาดสติอันนี้แหละอันนี้คือความชั่วขั้นขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาถ้าว่าผู้ใดก็ตามงดเว้นในสิ่งทั้งห้าอย่างคือศีลห้าผู้นั้นน่ะนับว่าเป็นคนดีในพุทธศาสนาคือนี่แหละโซเฟอร์เี๋ยจะต้องนำกายของตัวเอง่ออาไปทำสิ่งที่มัน ที่สิ่งที่มันเลวอย่างนั้นะเนอโซเฟ อ, เฟอร์จะต้องห้ามเลยห้ามกายเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิดีนะเนี่ยถ้าเมื่อเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็จับไม่ได้เราคิดเรื่องอะไรก็ไม่ได้เอเอแล้วเฮยลอยลมไปเลยเออ ม, มันออกไปทางด้วยมากใจของเรามันมันติดพพติดชาติมามันไหลไปทางต่ําพราะพุทธิยาว่ะมันชอบไหลไปทางต่ํา สังไนที่เป็นทางต่ำมันจะรอบชอบไหลไปทางนั้นความดีเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มันสูงมันผันตัวขึ้นไปมันยากสิ่งที่งดเว้นในสิ่งที่มันชั่วน่มันยากแต่มันยากก็เถิดแต่มันเป็นคุณงามความดีถ้าผันขึ้นไปแล้วมีแต่ความสุขเหมือนกับน้ำทำไหลลงต่าลาลางมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราผันคือมาใส่ถัง เรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นน้ําใช้น้ําอาบน้ํำดื่มของเราได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดประโยชน์เมื่อเราผันน้ําขึ้นมานี่ก็เหมือนกันทำไหลไปตามปกติมันไม่เกิดประโยชน์แต่เราผันขึ้นมาใส่องค์ใส่ตุม่มใส่ที่เราใช้แล้วมันเกิดประโยชน์นี่ก็เหมือนกัน่ะใจของเราถ้ามันไปไหลไปทางต่ํามันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่นจะเสียหายเผยเผยจะไปท่วมคนอื่นอีกต่างหากแต่เราผันขึ้นมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นี่แหละ ท่านจึงให้ดูใจของเราในสมาธิรมถ้าไม่มีสมาธิจิตใจไม่เป็นสมาธิจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นเรื่องของใจแต่ถ้ามีจิตใจของเราฝึกเรื่องสมาธิแล้วจะเห็นใจของตนเองในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าที่โคลนต้นโพพระองค์นั่ง ขดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, ออกมีสติสัมปะชัญญาในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามาัมโพธิญาณคือถ้าว่าเป็นกอไก่ก็คื อ, คอกอไก่ถ้าเป็นเอก็คือเอถ้าเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งคือจุดที่หนึ่ง ต่อจนั้นก็ <c oughs> ขยาย <c oughs> ขยายผลเข้าไปถูกว่าจุดตูปปาตยานการจุติสัพสัตทั้งหลายการเกิดการตายของสัพสัตทั้งหลายพอถึงเที่ยงคืนคือเมื่อที่แรกพระองค์มองพระองค์ก่อนปุกเพนิวาสานุสติยาน ล, ลึกชาติท่นหลังได้มองพระองค์พอถึงเที่ยงคืนมองคนอื่นอนีมองคนอื่นมองออกไปหาคนอื่นสัพสัตทั้งหลาย ทำไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่เนกะือบเป็นร้ยอยร้อยคนเกือบร้อยกว่าคนเกือบสองอคนพวกเราดูสิว่าเหมือนกันหมเหมือนกันอยู่เป็นหน้าตาเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมจำแนกพระพุทธเจ้ากรรมจำแนกให้แปลกแตกต่างกันมีสติปัญญาต่างกันอีกต่างหาก ล่ำรวยต่างกันอีกต่างหากสวยงามต่างกันอีกต่างหากพีกงพิการต่างกันอีกต่างหากความทุกข์ในจิตในใจอีกต่างหากมันมี <c oughs> มีหลายต่างหากอยู่ในแต่ละคนทําไมเพราะพระเจ้ากรรมจําแนกให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเป็นแปกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่ากรรมชั่วอยากทำเสีเลยดีกว่าทําแต่กรรมดี กรรมดีก็คืออะไรก็คือจิตลธรรมจิริยธรรมสินห้าเนี่ยคือกรรมดีถ้ากรรมชั่วก็คืออะไรคือคนไม่มีศินห้าฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้อย่างที่ว่าเนี่ยแหละคนที่ไม่มีสินห้านะคือคนในหลักธรรมคําสอนในหลักธรรมคาสอนของพผู้เผยพระธรรมไม่รับรองคนที่ไม่มีศินห้าในคนที่ไม่มีสินห้านะั้นทาความชั่วทุกอย่างอีกเหมือนกัน เ, เพราะนั้น เมื่อเกิดมาเรียกว่าผลของมันผลของศีลท่าเกิดมาพบนายชาติหน้าก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีก เ, อเมื่อพระองค์มองว่าคนคนนี้ทําไมจึงมีเอเป็นบา้าเป็นบออย่างนี้ขาดขาดทติอย่างนี้พระองค์ก็มองมองมอ ง, มองดอูชาติที่แล้วเนะ่ เขาชอบของมืนเหมาของของดื่มหรือเคยเคยฆ่าคนมาก่อนก่อนที่จะฆ่าเนะี่ยเขาขู่คนเะก่อนมาเกิดมาพบนิชาตินี้เขาจึงเป็น เ, เป็นบ้าเป็นบออย่างนี้เนะนี่แหละพระพุทองค์มองมอ ง, มองดูมองย้อนหลังเห็นหมดว่ากรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเ <c oughs> พราะการกระทําของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าอากตังทุกตังเส้อยโยปัชชาตะปฏิลุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสิ่งไหนที่มันที่มันไม่ดีอย่าทำเนี่แหละก่อนที่จะรู้ได้ว่าใจของเรานี่คืออะไรนแนวแถวของหลวงปู่มั่นของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าให้นั่งสมาธินะ อถ้าองค์ไหนช่วงไหนว่างๆว่างๆช่วงไหนว่างๆกลางคืนก็ได้ที่มุมสงบระหว่ากลางวันก็ตามถ้าไม่มีใครอยู่ตามลําพังให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายหรือไม่ต้องมือขาขวาทับขาซ้ายก็นั่งเก้าอี้ก็ได้เอนั่งยองขาก็ได้อนั่งแบบสบายๆก็ได้แต่ให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพุทธ หลวงปู่บัณฑท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมเฉยมันลืมมันหลงมันเผลอได้ง่ายให้สามทับกับพุธโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุธหายใจออกบริกรรมโทพุธโทพุธโธพุธโธในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวของเรารู้ตัวของเราแน่น่ะใจของเราจะรวมสงบ พอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตัวเองว่ากายกับใจมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นคนละอันออกายกับใจแต่ร่างกายนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนแต่นมามธรรมคือจิตใจนี่ไม่มีป่าช้านะออกจากร่างนี้แล้วจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกเกิดเองนะออกจากร่างนี้ เ, เดียนะไปอีกถ้าเราทากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไป ถ้าเราทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะพาไปมันไปคนฐานกันนะกรรมชั่วเหมือนกับเราอยู่เดียวเนี่ยถ้าเราไปทํากรรมชั่วก็กรรมชั่วก็พาไปติดคุกติดตารางน ะ, นะเลย เ, เ, เ, เพอเพอทดลองเะยใช่ไหมมัวเมย์ขึ้นมาเอ า, เอ า, เอามีดไปย่าการเข้า่ในพวกเรานั่งอยู่ด้วยกั น, นถ้าใครทําอย่างนั้นก็เดี๋ยวนะอีกไม่กี่นาทีน่ะตํารวจเขาก็จับไปขังไปเลยล่ะเพราะอะไรเพราะทำกรรมชั่วเ น, นี่ยนี่แหะ ถ้ารธรรมกรรมดีล่ะมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีอะไรพูดพาโอภาปาสสยกันพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขไปในสถานที่ใดก็มีแต่ศีลและธรรมมีแต่ความสุขตลอดไปนี่แหละอันนี้คือศีลและธรรม อ, อถ้าว่าความชั่วแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยชั่วมากชั่วน้อย อ, อมีแต่ความชั่วให้ผลมีแต่ไปทางทุกข์ อย่างน้อยก็ทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเนี่ยจิตใจของเราไม่ไม่ผ่องใสไม่ปลอดโปรง่งเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะกรรมชั่วที่เราคิดไปในทางที่ชั่วแต่คิดไปในทางที่ดีทางที่ดีกรรมดีจะให้ผลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนนะเรื่องสมาธินะี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพระนะมันเป็นของพวกเราทุกๆุกคนถ้าพวพวกเราฝึกหัดสมาธิดีแล้วนะ ใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วเมื่ อ, เ ม, อเมื่อมีอายุเท่าแก่ชรลานะเราจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหมาซึมเศร้าอัลไซเมอร์จะไม่มากำไกลถ้าพวกคนมีสตินะแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่คิดปล่อยไปเออละเหยลอยลมละเมอเพอ้อไปอย่างนั้นต่อไปใจของเราก็จะขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ทำให้ เบอไปได้ง่ายๆเพรันให้ฝึกเอาไว้เกิงสมาธิมีหลายอย่างอย่างหมอหมอเขาก็บอกว่านะพวกคณะแพทย์เขาบอกว่าวันหนึ่งอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีไม่ใช่ว่าแต่ละวันนคิดไปเฉยเฉไม่ได้นะอ่านหนังสือแค่ๆว่าเราอ่านหนังสือในเรื่องนี้เราอ่านเรื่องอะไรเราจะได้ทบทวนในในความจําของเรา เป็นการฝึกเหมือนกับเราฝึกออกกําลังกายอย่างนั้นถ้าคนไม่ฝึกไม่ออกกําลังกายต่อไปพังผืดมันติดเดินจะไม่ได้เอาเพรา ะ, ะนั้นเราต้องออกกําลังกายในเมื่อออกกําลังกายเนี่ยร่างกายของเราก็มีกําลังขึ้นมาเพราะเราออกกําลังกายแต่มันตรงตรงกันข้ามกับใจนะถ้าว่าใจของเราเนี่ยท่านิ่งได้แสดงใจยิ่งมีกําลังไงถ้าใจปุ่งฟุง้งน่ยใจแปลว่าขาดกําลัง มันตรงกันข้ามกับร่างกายร่างกายในนิ่งเท่าไหรเสียกำลังเพราะไมไ่ออกกาลังกายแต่ใจของเราเนี่ยคิดปุงฟุ้งเท่าไรเสียกำลังเราต้องทำจิตให้สงบถ้ามีจิตใจสงบทั้งเก็บเป็นพลังเป็นกาลังในเมื่อใจของเรามีกำลังขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะมองเห็นอะไรได้ง่ายอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำ อยากจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันคิดปุ่งฟุ้งไปมันเป็นยังไงหลวงพ่อว่าให้ทดลองดูนะให้เรานั่งขัดสมาธิยู่ตามลำพังไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิกาหนดลมหายใจเขาเ้าให้นับหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหก แต่อย่าไปกลึงอย่าไปเกรงนะไม่ใจหายใจวันหนึ่งนับไปเรื่อยไม่ใช่หายใจหายใจตามธรรมชาติมันเข้าไปเมื่อหายใจเข้าเนี่ยให้เรานับหนึ่งหายใจออกให้นับสองหายใจเข้านับสาหายใจออกนับ4ห้า ห, ห จ, จนถึงร0 0พอถึงร้อยไม่เผลอถ้าไม่เผลอกลับมานับหนึ่งใหม่อีกแต่โดยมากมันเผล่นะให้ทดลองดูนะ พอมันเผลอมันเผลอยังไงคือว่าหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามสี่ห้าออ ข, ขีคู่ขี้คู่กี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยนะแต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะ <c oughs> มันไม่ใช่ inha, ขี่คูนะ่มันคู่ขี่เลยนะยังไม่ถึงสิบจะได้ซ้ําไปมันคู่ขี้แหละพอคู่คี่เอากลับมานับเมืองใหม่อีกตั้งใจใหม่อีก พอตั้งใจมาอีกนับอีกมันถึงไหนมันถึงยีสเออมันดีขึ้นหน่อยหนึ่งถ้ามันถึง5้าสเออมันดีขึ้นหน่อยถ้ามันถึงร้อยไม่เพลอเออใช่สติของเราดีหนึ่งนาทีต่อไปนับไปอีกออพอนับออสักห้าถึงสเที่ยวแล้วก็ไม่เพลอแล้วเออยังค่อยกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรอันนี้แหละ ว, วิธีการฝึกสตินะั รู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครเอ้สติของข้าดีและไม่ดีไม่ต้องถามใครให้รู้ด้วยตนเองนะให้ฝึกฝึกวันนี้ก็รู้ในวันนี้ฝึกเดี๋ยวนี้รู้ในเดี๋ยวนี้แหละสติของเราถ้าหากว่าเราฝึกนับไปถึงสิบแล้วเบอรเอาเพลอะอกเบอร์เอาเพลอะเอาเอย่ า, า, าไปไว้ใจนะอีกสักวันหนึ่งนะะเดี๋ยวก็จะถามเขาสู๊กูได้กินข้าวได้อย่างสู๊จว่าเองนะมันหลงครึ่งขนาดนั้นละ่ะ และขณนะตัวเองกินข้าวมายกหยกลืมฮนะเพราะนั้นพวกเราจะ่ได้เป็นอย่างนั้นนะ่ะเกินการฝึกสมาธิมันมีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเองไม่ใช่ใครอื่นนะหลวงพ่อมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเท่านั้นเองหลวงพ่อไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนเอาจากพวกเราท่านทั้งหลายนะมีแต่บอกวิธีการเท่านนะั้นน่ะทําอย่างนี้นะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะให้ปฏิบัตินะ เมื่อปฏิบัติแล้วน่ะคุณงามความดีอสติของตัวเองก็ดีอยู่นสถานที่ใดก็ดีดีหมดนั่นแหละคุ ณ, ณธรรมศีลธรรมอยู่กับชุมชนกลุ่มใดคณะใดบุคคลใดมีต้วนแล้วแต่เป็นคุณความดีทั้งนั้นถ้าความชั่วเข้ามาอยู่ในตัวของพวกเราในชุมชนของพวกเรามีแต่โชดช้ชาเสียหายมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเวันนั้นให้พวกเรา ประกอบคุณงามความดีในวันนี้หลวงพ่อได้แนะเรื่องสมาธินะเรื่องศีลธรรมจริยธรรมหลวงพ่อได้พูดมาหลายวันแต่วันนี้เป็นวันพระนะพวกเราควรจะได้ฟังเรื่องสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหอหายใจเข้าพดหายใจออกโถ น, นี่แหละฝึกวิธีฝึกกอไก่ที่แรกนะวิธฝึกฝึกเขียนฝึ ก, ฝ, ก, ฝ, กฝึกเบื้องต้นหายใจเข้าพด หายใจออกโทอถ้าตามปกติท่านจะให้นั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานนี่แหละเอมันจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาให้ตัวตรงเอแล้วก็นี่ข้าไปเจ้านั่งสมาธินั่นนี่ไอ้แค่บอกเตือนตนเองเนี่ยนั่งสมาธินี่อหาหมุมสงบนะไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งเถ ล, ลิ่ดท่าลาอยู่กลางถนนข้างถนนเขาหมอลำสิงหมอลำหมูเออ แสบแก้วหูจะแจ๊แชดจะไปหานั่งกับสมาธิมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ถูกมีกเหมือนกันนะ่นี่ยสมาธิจุดนี้ต้องหามุมสงบเวลาเราจะนอนเวลาเราจะพักผ่อนเออเราปล่อยจิตปล่อยใจนานเกินไปแล้วอเราควรจะเอาจิตให้มีพลังทําจิตใจให้สงบอทําจิตใจให้เน่งอเพื่อจะเอาพลังเขาเอาพลังเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเนี่ยนี่แหละ จากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าพดท้ายใจออกโธไมให้ใจ จ, จิตใจของเราปุ่งฟุง้งออกไปทางอื่นนี่แหละถ้าทําได้อย่างนั้นดีนะเนี่ยคือว่าจิตใจมันออกไป้างนอกไปให้มันพักผ่อนด้วยเหมือนกับร่างกายของเราถึงเขาพักมันก็ต้องพักถึงเวลาทํางานมันก็ต้องทํางานใจของเราก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าใจของเรามีแต่ปุงฟุ้ ง, งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเวลาหลับก็ยังฝันละเมอเพ้อไปอยู่อใจหมดกําลังฮะ เพราะนั้นใจก็ต้องพักผ่อนคือสมาธิบังคับให้มีสมาธิในการพักผ่อนของใจได้ใจพักผ่อนนใจก็ไปนสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกน ะ, ะนัตสถา ญ, ญาติโยมลูกหลานเอาวัาในให้หลวงพ่อให้แนวความคิดอย่างหนึ่งเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร น, นัตเสนีนะ